นิมิตในสมาธิแปลไปตามสภาพจิตให้รู้อิริยาบถและลมหายใจเป็นตัวตั้งและเอาความรับรู้นั้นไปรู้นิมิตจิตจะเห็นนิมิตอย่างมีอุเบกขานิมิต ท, ที่เกิดขณะนั่งสมาธิมีหลายแบบแบบหนึ่งที่น่าสนใจคือนิมิต ท, ที่แปลไปตามสภาพจิตล่าวคือสภาพจิตเป็นอย่างไรนิมิตก็แปลไปตามนั้น อย่างเช่นเมื่อจิตเล็กแคบใจรู้สึกถึงอาการบีบกระจุกก็เห็นนิมิตปรากฏตรงหน้าเป็นจุดดำเล็กๆต่อเมื่อจิตขยายออกใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นใจรู้สึกถึงความแผลหลอดโปรงนิมิตดำๆก็แปรเป็นแสงสว่างกว้างขวางขึ้นมาหลักการโดยทั่วไปเมื่อพบนิมิต ท, ที่ผันแปรไปตามจิตประมาณนี้ให้สังเกตจิต ไว้เป็นหลักตั้งอย่ามัวสงสัยว่านิมิตที่เห็นคืออะไรให้ถามตัวเองว่าเรายังรู้สึกถึงอิรยาบถนั่งในท่าคอตั้งหลังตรงอยู่ไหม ย, ยังรู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกตามจริงอยู่ไหมยอย่างเช่นในที่นี้คือไม่รู้และมัวสนใจเหยื่อล่อตรงหน้าเต็มเต็มเมื่อรู้สึกถึงอิรยาบถและลมหายใจเป็นตัวตั้งและเอาความรับรู้นั้น ไปสังเกตการปรากฏของนิมิตพร้อมกันจิตจะโน้มเอียงเข้าสู่การเห็นนิมิตอย่างมีอุเบกขาขี้เกียจสงสัยขี้เกียจไขว้าขี้เกียจเอาอะไรจากนิมิตล่อใจเอาแต่เห็นว่ารูปนิมิตนั้นต่างไปเรื่อยๆในที่สุดนิมิตก็หายไปอาจเป็นนิมิตสว่างแจ้งตรงหน้าก็ย้ายมาเป็นจิตที่สว่างแจ้งเต็มดวง สองกายให้สว่างทั่วเมื่อรู้สึกถึงความสว่างออกมาจากใจกลางดวงจิตคุณจะได้ฐานสำคัญที่สุดคือมีจิตที่ไม่ดิน้นรนมีจิตที่ไม่เอาอะไรแล้วจิตที่สว่างแจ้งแบบนั้นจะพอใจรู้กายใจตามจริงจักดแต่เห็นกายใจตามจริงว่าเป็นแค่รูปนามไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขา ซึ่งยิ่งปรากฏชัดเจนซ้ำๆบ่อยขึ้นเท่าไหร่อุปาทานยิ่งกระเทาะล่อนออกเป็นกระบีกระบีมากขึ้นเท่านั้น